ความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นถ้ามันมีอยู่แล้วก็จะเลิญมากขึ้นเพราะเหตุไรเพราะเราประกอบความชั่วไปทางชั่วเพราะฉะนั้นควรละเสีย อ, อย่าไปทําควรละเสียมองเห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์ควรจะละสิ่งที่ความชั่วความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจควรจะละนี่แหละ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 เป็นวันณะสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่คือคนวันณะต่ำคือว่าสูตรอันนี้พ่อค้าขายฟืนก็คงจะเป็นวันณะสูตนี่เขาดูให้เข้าว่าเป็นวันนะต่ำแต่ใจของเขาเนี่ยเลื่องเลิงบันเทิงไม่ได้ เ, เสียอกเสียใจชีวิตต้องสู้ฮะเพระจะต้องทําการทํางานสู้หาเงินพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นและเออ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 เหมือนการอ่นนะเพราะท่านเป็นฝ่ายปกครองท่านก็เรียกทุกตะเข้ามาถามว่าทุกตะเป็นไงการขายฟืนของแก่ทุกกตะก็บอกว่าโ อ, อา้ขายได้ดีอยู่ครับพระเจ้าคชนขายได้ดีอยู่แล้วตาแก่ได้เงินมาแล้วตาแก่ทํำยังไงทุกตะก็ชี้แจงให้ฟังคงจะเป็นนักปฏิพานพอสมควรนะอะแล้วก็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 การใช้ใจของผมเรื่องทรัพย์สมบัติไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนขยโยนลงน้ำมหาสมุทรทะเลเราฝังดินล่ะฝังดินก็คือเราเก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่งให้เกิดประโยชน์ใครข้าวแเก็บใส่คลังเก็บใส่คลังเก็บใส่อันไหนเอาไว้แล้วบูชาเทวดาล่ะบูชาเทวดาผมทาบุญทาทาน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 ดูให้ดีให้รอบครอบนิสัมมะกระนังเส้ยโยไข ค, ควรจะก่อนค่อยทำอะไรลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ตนและคนอื่นเดือดร้อนอันนี้แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็คือนี่แหละฆรวตสธรรมด้วยทานการเสียสละศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลศีลห้าปานาค่าพระเจ้าจะไม่คิดฆ่าใครทั้งหมด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 ถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะทีนี้นะประนมมือนะก้มหัวลงสักหน่อยเดี๋ยวน้ำจะเข้าตา